ข้าป <eld> ย่อยข้าวย่อยข้ไปย่อยเฮาติปัญญาก้าปย่อ ย, ยอาหารถ้ามันเกิดทุกเวทนาเพราะเราไม่ชอบเกิดตุกเวทนาเพราะเราชอบเหมือนกันมันก็เหมือนกันให้ว่าเป็นตุกเวทนาหรือทุกเวทนาเราต้องเอมาย่อยให้เป็นอาหารว่างให้หมดคือไม่ยึดมัน่นถือมั่นจากแต่ว่าธาตว่างธาตว่างธาตว่าง ย่อยย่อยมันหมดถ้าเรากินก่ปยมันไม่ย่อยเราก็ยังติดในรสในชาติในอะไรของมั น, นย่อยเราต้องย่อยนั่นคืออัจฉยาอัจฉมายานี่แต่ว่าทุกๆตัวอักษรเนี่ยสำคัญหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสเอายแต่ถ้าเราเพียงแต่ว่าว่าแล้วก็ผ่านผ่านว่าแล้วก็ผ่านผ่านก็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น ก็กลายเป็นสีและปัจจัยประม า, ะมาะทไปเสียอีกทีนี้อย่างแล้วก็ขึ้นยะถาวลิวานะ่ะอันนั้นคือให้พรให้พรแต่อันนี้เป็นการพิจารณาอาหารพิจารณาตัวเองผู้ที่ก้าไปเสพอาหารเหล่านั้นแล้วก็ไม่หลงไหลในการเสพในการฉันนี่ อย่าเราเพียงสักแต่ ว, ว่าว่าว่าว่าวา่าเป็นสีลับประดับประมาทเว้นเราทัวดีที่ไปโฉะวะกัโตทุปฏิปโนเราไม่แปลเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็ถ้าเป็นพระสม่านองค์ก่อนก่อนก็ทายัางไงองค์หลังๆก็ทําไปอย่างนั้นทําสักแต่ ว, ว่าทําสักแต่ ว, ว่าทําไปผ่านๆไปเป็นอย่างนั้นทันนี้เขาขึ้น ยะถาอวิวหาปูราปาลิปูเรนติสักรังเอวะเม้นั่นเขาขึ้นยะถาก่อนขึ้นยาถาก่อนที่นี่อยงพระที่ปลูกมะพร้าวในวัดน่ะทำสวนมะพร้าวเต็มไปหมดมเต็มไปหมดอสมบานก็นั่งขึ้นยะถาอวิวหาปูราปาลิปูเรนติสักรังชุบชุบชุบชุชุชชชชชอา้าวลายกระรอกเห็นไหมลายกระรอก ไลยกระโลกทีนี้พอองต่อมาองต่อมาที่เป็นสมพานก็ไม่รู้พ อ, อยาถาวลีวาหาปูราปาลิปูเรงเชอเชอเชเอี่ยเหมือนกันนี่กันไล่กโลกน่พอกโลกคนมากินมะพร้าวนี่ทีนี้วัดเรานลิงมากพ อ, อยาถาวลีวะโอ๊โอ๊ะโอ๊โอ๋ออเห็นไหมนั่นเนี่ยคือ จีลปตาปรมาทั้งนั้นเลยเต็มไปด้วยจีลปตตาปรมาท่าวัดไหนวัดไหนที่ไม่สนใจท่านอาจารย์พุทธทาสเลยไม่สนใจผลงานของท่านเลยอ่พาพวกเขาเอาหนังสือทำวัดแปลไปไปสวดแปลไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไม่เอาไม่ขลังนั่นแหละไม่ขลังเห็นไหมมันจะรู้จะไม่ได้ เขาเลยไม่ค่อยเอากันเพราะไม่กลั้นนั่นก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือปัญญาไม่ถึงปัญญาอ่อนนั่นเองเพราะว่าหนังสือของท่านอาจารย์พุทธตาแต่ก็ไม่เอาทีนี้ถ้าเป็นธรรมยุทธเป็นมหานิกายเนี่ยอ้าวท่านทานมาจากวัดไหนเป็นจีวรสีดำเป็นธรรมยุทธหรือเป็นมหานิกายเนี่ยของพ่อไปงานจบของพ่อนายอำเภอว่า สมัยนี้ก่อนแต่นานไปนคนนี้ไปที่หัดใหญ่นนั้นท่านเป็นธรรมยุทธ์นียมานิกายเห็นเทวรนตรีกลักบอกว่าไม่เป็นทั้งสองอย่างธรรมยุทธก็ไม่เอ า, าอนิกายก็ไม่เอาเป็นพุทธนิกายพุทธนิการคือนิกายที่ศึกษาแล้วเรียนปฏิบัติแล้วก็รู้มาแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นเถือมั่นในนิกายเหล่านั้นนี่เห็นไหมถ้าใครถามหลวงพ่อแล้วก็โดนเน่ย ว่าเป็นธรรมยุทธวานิกายเป็นพักไหนอย่างไม่เอาไปที่สวนยินดีทะเลอมีคนหนึ่งเจ้าหัวเสียงอยู่ห ล, หลวงพ่อถามว่าในคนพักไหนเขาบอกว่าพักพระจัตติปัตติก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อพักไหนเนี่ยบอกว่าพักพระพุทธเจ้าอ้าวกราบเปกงายหลังนี่อะไรมันอย่างนั้นทางนั้นพระพอบวชเข้าไปยังไม่กันบวชเลยสอน่ายแล้ว อย่างนี้มานิกาอย่างนี้ธรรมยุทธมาตั้งกันทีหลังทังนั้นมาว่ากันทีหลังถ้าสมัยก่อนโน้นเ็เป็นอินายานมหายานอินายานคือยานเล็กรถเล็กแต่มหายาน่ะรถใหญ่รถใหญ่บันทุกคนได้มากแต่ทีแล่ทั้งมหายานทั้งอินายานนั่นแหละมาจากพ่อเดียวกันคือพระพุทธเจ้า แคนั้นหลวงพ่อจะไม่ถือว่ามหายานหรือเห็นายานของมหายานหลวงพ่อก็หาไปหาหาเรื่องนี้แหละเรื่องเซนเรื่องเซนเรื่องเซนเรื่องเซนเนี่ยของมหาญานทางนั้นของเห็นายานเห็นายานก็มีเรื่องการศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาจนจนเลยเถิดไปไม่ปฏิบัติอา้าวมันก็เลยเถิดไปอีกแะนั้นไม่ต้องเป็นญานไหน พุทธญานก็แล้วกันยานของพระพุทธเจ้าญานของพระพุทธเจ้าแล้วมันสามารถที่เราวิ่งไปถ้าเป็นเรือนี่เราสามารถแต่วิ่งไปแล้วก็ถึงฝั่งถึงแต่หลิ่งได้จะเป็นหมหายานก็ไปไม่ถึงเป็นอีนยานก็ไปไม่ถึงถ้าเราไม่ปฏิบัติฉะนั้นต้องเป็นพุทธยานเราจะบวชในในิกายไหนก็ตามวัดไหนก็ตาม ตามมยุทธก็ตามมหานิกายก็ตามต้องเอาที่ถูกต้องเอาที่ถูกต้องคืออริยมรรคไมองแปดไม่ว่ายานไหนต้องอาศัยอริยมรรคไมองแปดทังนั้น่ถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคไมองแปดเราจะวิ่งไปถึงพุทธญาณคือญาณรู้รู้แล้วก็ดับทุกได้นั่นน่ะคือว่างความว่างอยู่ที่ตรงนั้นเอาจบตรงนี้